Shower, たまに行くことがまいまだいま、ポンコータン、カムタンソンローム、カムソンとんかんソンローム、ダイハムタンソンとる。そたいかれタンイン、ペントヤン。<英語> 私はそれを見つけたのです。 เมืองว่า speak. formality is already up to ten percent of the Marcelo Onion button. มั่นก <c oughs> ารชีวิตแล้วต้องหนี VISTA will keep up the same way. แต่คนมีธรรมมะ palernacle belt, ค patriots to be accepted. ahead of 화를 падe ل 1988ความคล ettreLes тысячи ความคล keine real notice è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 แกเอาผักดองไม่มีของดีจะไปถวายพระแล้วเอาผักดองไปถวายพระแล้ว แ, แกก็ร้องไห้เสียใจบอกทานของข้าพระ อ, องค์เนี้ยเศร้าหมองมากเลยคือเป็นของไม่ดีเลยนะพระพุทธเจ้าก็ บ, บอกว่าทานของท่านเนี้ยนะผ่องใสมากนะปัญหาเนี้ยมันมีเหตุมันผ่านมาช่วงครั้งช่วงคราวปัญหาทั้งไหลายเนี้ยเกิดทั้งตัวมันเองนะถ้าเราถอนตัวออกมา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 สำคัญเวลามันมีปัญหาเราอย่าทุกข์ก็แล้วกั น, นดูเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาโชวัข่างโชวครั้งชั่วคราวตั้งหลักตั้งสติรักษาใจให้มันมีความสงบสุขไว้ก่อนเดีใ๋ยวมันมีสติมีปัญญาไปแก้ปัญหาได้อ้าวต่อไปตรวจกันบ้านเราจะเอาแบบส่วนตัวหรือส่วนรวม <c oughs> ถ้าส่วนรวมเราต้องถามกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับผู้หญิง ผู้ชายก็ถามกรรมฐานอะไรเหมาะกับผู้ชายนะกรรมฐานอะไรเหมาะกับเกเย์อะไรนะออต้องมีอย่างนั้นนะเป็นกลุ่มๆไปไอ้อย่างนั้นไปหาหนังสืออ่านเอาก็แล้วกั น, นอ้าวต่อไปเชิญถามกรรมฐานเฉพาะตัวห้ามพูดเรื่องคนอื่น อ, อ่ากลัวครับเฮ้ยกลัวครับกลัวอะไรเพลงด้วยครับแล้วก็กังวลใจครับภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะ ロシアメシューるのメンバーキーメンコーキーバーエイラオペアンリ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเออไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนะมันดีขึ้นเยอะแล้วนี่ไม่สบายนะภาวนาหายดีขึ้นเยอะเลยหมอเนี่ยจนปัญญาแล้วไม่รู้จะให้กินยาอะไรแล้วที่กลัวนะครับหลวงพ่อที่ที่กลัวนะครับกลัวครับกลัวอะไรกลัวหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อก็กลัวครับกลัวรู้ว่ากลัวแล้วรู้ลงไปเลยเราเห็นเลยว่าอะไรมันกลัว แล้วทั้งจิตเราก็ไม่ได้กลัวนะความกลัวเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเป็นคนรู้ว่ากลัวจิตไม่เคยกลัวเลยค่อยๆสังเกตกันได้กระทั่งความทุกข์นะความทุกข์เกิดขึ้นเราสังเกตให้ดีเลยความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วจิตไม่ได้ทุกข์หรอกความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์หรอก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 ค่ะแล้วก็มันจะมีอาการแปลกๆสองอย่างนะคะคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเวลานั่งวิปษณแตัสสนาจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีแรงผลักศีรษะไปทางด้านขวาะ ค, ะค่ะเพราะนั่นเกิดจากบสมาธิแล้วไม่ใช่วิปษณออัสสนาแล้ว<ะ>ก็คงคล้ายๆกับรู้สึกเหมือนมีอะไรมาตัดไต่ตรงกลางเนี่ยนั่นแหละเรื่องของสมาธิทั้งนั้นเ น, นี่ยสมรรถาะแสดงว่าที่นั่งอยู่ไม่ได้ทำวิปษณัสสนา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 หายใจไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่าให้ขาดสติอย่าน้อมใจลงไปเห็นร่างกายนี้ใหายใจไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูสมถานี่เราทำไปนะจนกระทั่งเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาหรือว่าได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเราไม่ได้ทำสมถาก็ให้เคลิ้มเคลิ้มไปแล้วเนี่ยใจไหลไปแล้วดูออกไหมถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาเข้าไปติดอีกแล้วเข้าไปติดแล้วหายใจแรงๆลืมตา อ, อยากเข้าไป รุนเสน่อยเลยน้ำมัศการเจ้าค่ะเป็นการส่งการบ้านค่ะอยากให้มันเข้าไปอย่างนั้นนะพยายามรู้สึกตัวทอนานเคลื่อนไหวไปไปเดินจงกรมดีกว่าไม่อย่างนั้นจิตจะน้อมที่ทำอยู่นั้นสมรถะทั้งนั้ น, นและเป็นสมรถะที่ประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยความหลงไปรู้สึกไหมเคลิ้มเคลื่อนเรือนเรือนไปมันจะไม่รู้ตัวใจมันจะไหลไหลไปแล้วพอถอยออกมามันจะเป็น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 แต่หลังจากที่ฝึกตามแนวพองยุษมาตั้งแต่ปี2521แล้วช่วงสิบปีที่ผ่านมาก็พยายามไปเข้าคอร์สอะไรกัอนครั้งละเจ็ดวันอะไรความนิเกือบจะทุกปีก็หนึ่งสัปดาห์ที่ก่อนจะมานิกพยายามรู้ตัวแต่ก็เพราะว่า<ม>บันจะ ม, มีกำหนดไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ต้องภนมมือนะจับใหม่แบบร้องคาราวิกเกีย パイアンジャ ー, <シ>ー・ウッドウォーダト・オマドウォーエッイーダワー、チッキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ นี่เพ่งไปหรือเปล่าอันนี้เรากำหนดบังครับให้เขาหยุดคิ ด, ดหรือเปล่าหรือเรารู้ตัวดูง่ายๆนะถ้าเพ่งใจจะแน่นๆ แ, แข็งๆ ข, ขึ้นมานถ้าต่อไปเวลาเป็นเกิดถามขึ้นมาว่าเพ่งหรือเปล่ารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่โดยเราปัจจุบันอย่างนี้เลยรู้ว่าจิตกำลังสงสัยอยู่แค่เน้นพอละเราก็จะเห็นเลยความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปสภาวะทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไป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 รู้ไป victorious เคยยืนลงข้ออ達แล้ว OVER ข้อ músαι และพ fully เปอร이해เลาะสิ Robin C pizzas is how powerful you will be คนฮิ LOC Bad Kombعتarn, Awain ที่เห <คน S 2> มาการดูจิตแต่ว่าจิตตร ง, ค น, ง ค, นนนคนที่คิด fl Xing ลงมาปล่อยเป็นศมษะคนที่ปล่อย bat maneuvering feeling จิตติดในสมท Hans Ha อยู่ dinosaurs 믿기를 ластиous มา見 some toл Ki เห็นร่างกายกระับพิษตาเห็นร่างกายเดี๋ยวสายแรงกว่านะดูไปเรื่อยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆฝึกอย่างนี้ถ้าพอมันมีแรงแล้วมันก็จะเห็นร่างกายเป็นของถูกดูเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็เป็นของถูกดูกุศลกับกุศลก็เป็นของถูกดูกระทั่งจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้มีแต่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยค่อยๆหักนะ<ม> หนึ่งปีที่ผ่านมานี่ใช้ได้แล้วนะพี่เคยติดมาแต่ก่อนติดแรงนะติดจนซึมตอนนี้จิตคลายตัวออกไปเยอะแล้วดีแล้วละอดทนนะเนพียงแต่คือหลวงพ่อไม่ใช่ว่ารังเกียจรังงอนกรรมฐานพองยุบนะกรรมฐานพองยุบทำถูกก็ไปได้เหมือนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ทำผิดทำแล้วไปติดสมถะ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 <Okay. S 2> นานนานไปมันชีเกีย displayed, ที่จะรู้ конце กลายที่ Coc simple wants to understand, ที่ใจิ Martine white mother Thinker just got confused zos cohesive to know is better and do it. ตอนนี้ไม่ใช่เวลาหาความสุขนี้ตอนนี้เป็นเวลาเรียนรู้ทุกข icos you all. ตอนนี้เป็นเวลาเรียนรู้กลายจะเป็นตรงถ realization เรียนรู้ skateboard, เรียนรู้ใจฉัน จ, จิตปล่อยท disastrous energy เวลาจิตปล่อยวางใกลายวางใจนะจิตไม่ได้เฃลื่อนมาอยู่ข้างนอกนะอยางต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 จ, จ, essas, จิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ตั้งมั่นดูออกใช่ไหมเก่งหลวงพ่อคะแล้วไม่ทราบว่าโยมเนี่ยยังติดเพ่งติดประคองไหมคะรู้ส、pues、ึกบางครั้งก็มีการติดเพ่งติดประคองเออไม่ของเก่าเคยชินไม่เป็นไรเพ่งรั่วเพ่งประคองรั่วประคองตอนนี้ที่ร้ายกว่าเพ่งร้ายกว่าประคองคือไปติดว่างเบอร์ไล่หกสิบเจ็ดไล่หกสิบเจ็ดกลับน้ำมาสการค่ะหลวงพ่อ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 รู้ออกไหมอะไรนะเออนั่นแหละมันหนีไปมันหนีไปให้รู้นะไม่ใช่บังคับให้อยู่ที่ฐานเนี่ยแต่มันหนีออกจากฐานแล้วรู้ทันจำไว้นะไม่บังคับให้อยู่ที่ฐานมันหนีออกไปจากฐานแล้วก็คอยรู้เอานะแค่นั้นแหละค่ะขอบพระคุณค่ะเบอร์ร้อยห้าเชิญกับนิมมสการหลวงพ่อครับขอเรียน カメンタン、パマンサンコン、ハプ、コーラー、マンティー、セブン、イレベン、アヘコーラー、コーラー、クルー、ローン、ハプ、コーラー、ネア、ネイマワー、マンコン、ドウチッ、ナウ、ドウメイキンチッ、ペドウ、アカンコンチッ、ネア、ヤー、コーハン、チーナ、ジャロンポー、ハ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 カテのハプロンポーガンのローベルガンタマータンハプロンーバーハイハイチップンポールドガンタムガンコンカイ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 ラウコチャ、マイパイアバイ、ポンコチャイワ、マイティガ、キュンヤ、チー、ラウコのャサマー、チー、ウトン、デカサティ、キュンマタン、ネギトトンメカプチェ、トンネメシシトウサイナ、チトウサイ、タナティタイアンギョレスチュティチッ。コナティチュティチチチトニア、オフマルワ、ローマ、ソウエア、ローメンキャン。แตตวน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 จิ้มมีตรึดตื่นเข้ามารู้ตัวแล้วตายต Chillican ถ้าอันนี้พราวนาได้ดีนะกับเพลาคุณครับพ่อ inst junto daddy f ä ด auto ดีพรบดภาวนาดีแล้วด spr То ตอนนี้ปรับของไว้นิปนิดหนึ่งด Burn ด perde ตอนนี้จิตไม่ถึงฝานด repairs attuto oof ออก por authorization ให้มันได้อย่างนี้สชื่ออะไรชื่อสุ ข, ขุมครับจ para wazz ชื่อสุ ข, ขุมครับส パワーアンダー、グッピー、カプター、パイアン、タン、トーニング、パワー、クイアン、ソウル、ロンパワー、ロンパワー、クイー、コーヒー、ホンカラワー、クイー、パワーアンダー、メトーニング、カプミー、アンダんカプセル、ホンディー、シー、ホンタン、メトーニング、タン、ドอアอ、シメ、ドอアอ、カプセル、 カマティタンメプロコンヘニータン。ライハムケンハムシャーラタンドペレイ。ウソメチメンジンジャンクリマンウソカメニピティカナファウルオペレイペニングエクローペイ。フォンフォワナディナウナディナウナディナウナディีウナディナウナディナウナディナウナディรウナディナウナディナウナディナウナディナウナディナウナไィナウナディナนナディナウナディナウナนィナウナディナウナディナウナディナウナディナウナรィナウナディナウ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 ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハなハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハなハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ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 ก็รู้เอานะแม่ชีแล้วมีปัญหาอะไรหลวงพ่อครั้งที่แล้วบอกว่าให้ทำความรู้สึกตัวให้มากขึ้นก็รู้สึกตัวได้เยอะขึ้นแล้วล่ะแล้วบอกว่าตอนครั้งที่แล้วบอกว่าประคองไว้ก็ตอนนี้ก็ประคองน้อยกว่ากาวก่อนรู้สึกไหมก่อนประคองไว้จนแข็งแข็งแน่นแน่นค่ะ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 ないらヘルータンでね。で กระทั่งการกดนะเรามีสติรู้อย่างเป็นกลางแล้วมันก็คลายเพราะว่ามันก็ไม่เจี่ยงเหมือนกันเลยดีขึ้นดูออกไหมดูออกหนไหมใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสแสดงใจรักนะไปรู้เอาเบอร์ร150อยู่ตรงกลางกรารนำมัสการหลวงพ่อคะ่ะมาครั้งแรกคะ่ะหนูเคยปฏิบัติสมรถาธิแล้วก็หนูเคยติดแสงคะ่ะ เสร็จดแล้วหนูก็ไปหาพระอาจารย์ที่ลำพูนค่ะเป็นสิทธิ์ครูบาพรมจักรค่ะช่วยค่ ะ, แ, ะ, คะแล้วก็สอนเป็นสมถาวิปัสนาแล้วหนูมาฝึกดูจิตของพระอาจารย์นี่ประมาณปีหนึ่งนะคะจ้ะ ก, ก็ทำได้พอสมควรนะคะแล้วหนูไปหนูพอดูหนูเห็นผู้รู้ค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็ ไปเพ่งผู้รู้แล้วมันแน่นไม่ได้นะอย่าเพ่งผู้รู้แล้วเสร็จแล้วหนูพอรู้ว่าแน่นหนูก็ว่าไม่ถูกทางละไม่ถูกค่ะหนูก็ปล่อยไปเลยแล้วหนูก็มาเริ่มใหม่ฉลาดเสร็จแล้วแต่หนูก็สัมผัสได้ว่ามีผู้รู้อะค่ะเออรู้สึกว่ามีอยู่นะแต่ไม่เพ่งไว้ถูกต้องแล้วแล้วก็พอปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่ คือหนูจะดูลมหายใจแล้วพอจิตไหลายไปหรือว่ารู้กายหนูก็ดูไปดเนยได้ใช่ไหมคะได้ได้แล้วบางทีหนูก็ไม่ได้ดูลมหายใจแต่พอจิตไหลายไปแล้วมันระลึกรู้ได้เอ ง, เองได้ออใช่ไหมคะได้ได้แล้วบ <HA> างท <HA> ีหนูก็ไม่ได้ดูลมหายใจแต่พอจิตไหลไปแล้วมันระลึกรู้ได้เองได้ใช่ไหมคะได้ได้แล้วบางทีหนูก็ไม่ได้ดูลมหายใจแต่พอจิตไหลไปแล้วมันระลึกรู้ได้เองได้ใช่ไหมคะได้ได้แล้วบางทีหนูก็ไม่ได้ดูลมหายใจแต่พอจิตไหลไปแล้วมันระลึกรู้ได้เองได้ใช่ไหมคะได้ได้แล้วบางทีหนูก็ไม่ได้ดูลมหายใจแต่พอจิตไหลไปแล้วมันระ ถ้าหนูเข้าไปดูลวมหายใจมันจะนิ่งๆอะคะอ่ะมันเป็นสมรถะถ้าเรารู้ว่านิ่งแล้วเราก็ปล่อยไปเลยคืองี้ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูนะจะเดินปัญญาได้เห็นว่ากายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกจิตก็เป็นแค่ธรรมชาติรู้อันหนึ่งไม่ใช่เราเหมือนกันแต่ถ้าจิตเราไหลไปเกาะ อ, อยู่กับลมนะใจจะซึมลงไปเป็นสมถะอย่าให้มันไหลลงไปให้มันเป็นคนดูอย่าให้มันถล่มลงไป มันไปเองมันเคยชินไงเพราะมันเคยติดสมถะให้รู้ทันว่าถลำนะเดี๋ยวมันค่อยกลายเองพอรู้ว่ามันซึมหนูก็ปล่อยแล้วก็หนูหนูไม่ใกล้ไม่ดุริพละจะเปลี่ยนใหม่มารู้สึกที่กายไว้เดี๋ยวทิ้งกายนะหนูเขาถามสภาวะได้ไหมคะอ่าวว่าไปหนูเคยฟังเทศอะค่ะฟังเทศที่ว่าที่พระพุทธองค์พูดกับพานยากรทัญญาอะค่ะเหตุใด 私は見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えはいけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけど、見えないけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいいいいいいいいいいいいいいいいない ีみがิに。 แล้วมาหันดูจิตอาจารย์ไม่ว่าเหรออาจารย์ก็สอนค่ะหรือค่ะอาจารย์หนูก็ไปไปเรียนถามอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ก็สอนเหมือนกันหมายถึงว่าคือจริงๆแล้วสุดยอดก็คือไปทางเดียวกันทั้งหมดนะคะ อ, อย่างนี้ค่อยอยังชั่วหน่อย <c oughs> มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันชาวพุทธนั้นมันอุบาทจริงเลยมันมีพระพุทธเจ้าคนละองค์ตีกันได้ขอบพระคุณค่ะอ้าวสายเบอร์อะไรละ ร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบเชิญกับนักสการ์หลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกนะคะก่อนมานี้เคยไปขอวิอวปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็ยุบหน่อพอง น, อนะะอ้องอาจารย์พองยุบนะอย่าเรียกยุบหน่อพองนอ้อง <c oughs> เรียกพองยุบแล้วก็ระหว่างที่เดินจงกรมนะคะแบบพอเดินไปสักระยะหนึ่งจะมึ น, มนหัวแล้วก็เราเดินทำสมถะนะเดินบังคับจิตมากไป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 ใจมันไห、L、ลไปเราก็คอยรู้ทันเนี่ยไหลอีกแล้วทราบไหมดูออกไหมดูออกค่ะเนี่ยให้กันบ้านเลยนะต่อไปนี้ใจไหลแล้วรู้ว่าใจไหลไม่ได้ห้ามไหลนะไหลแล้วรู้ว่าไหลฝึกตรงนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองแหละเบอร์ร้อยแปดสิบแปดอยู่ข้างหลังเอา้าลูกศิษย์พระที่ลำพูนอะหลงไปแล้วเสียชื่ออาจารย์นะ มำการหลงพ่อ κα จริงๆหนูต้วาบางครอ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง Senior corticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic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 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たうは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちたちたちは、私 อยู่ข้างหน้าข้างหน้าของคุณที่เพิ่งส่งการบ้านเสร็จอะรู้สึกไหมใจเราไม่ถึงฐานแตอนนี้ใจเราอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมมันกว้างๆออกมาแล้วมันโล่งๆสบายไปนะอย่าไปติดอยู่ตรงนี้นะนักปฏิบัติไปติดตรงเนี้ย เ, เยอะเลยผิดะอะอ้าวยี่สิบสองเชิญา ก, กาวนัมัสกาหลวงพ่อคะ่ะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยดูสภาวะจิต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 แล้วควรใช้อะไรเป็นที่อยู่บวชค่ะหลวงพ่อดูจิตไปเลยก็ได้เบอร์เก้าสิบสองอยู่ด้านหน้านี้ด้านหน้ากลับนรัต ก, การณค่ะหลวงพ่อค่ะหัดดูสภาวะมาได้ประมาณเดือนกว่าๆค่ะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจะคะ่ะเพราะว่าเราเห็นหลงคิดแล้วก็เห็นอัตตาเป็นบางครั้งะคะ่ะก็ดีนี่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 ต้องหาไปเรื่อยๆเห้าะค่ะเมื่อว่าตอนนี้ใช้ไหร่ใจ blinking ออกความเข้าไปบ Whew ค่ะ WITH วิ่ม school and This is why บังคับจิตต้องเปลี่ยนใช่ไหมไหร่ใจอย่างสบายไม่ใช่ไม่食べี้ยังにต้องเปลี่ยน60รู้ Magazine as we are feeling how it is, i assume low Domain ดูแบบ Pond adults instead of Jul better in the 1977พอทน concretely assim คือความ Being a deg ∂ with a came theory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 ใครรู้ไปถ้าคลุกแล้วทุกข์นะถ้าไม่เข้าไปคลุกกับปัญหาเนี่ยไม่ทุกข์หรอกห้าเบอร์สามสิบหกหลวงพ่อมีการบ้านอะไรจะให้ไหมคะเว้ยที่ทำอยู่แค่นั้นก็เหลือเฟือแล้ว อ, อย่าขีด้เกียจนะสามสิบหกน้ำมันสกัดหลวงพ่อครับคือสมรถะผมใช้เพ่งกับสินไฟครับแล้วก็พอออกจากสมรถะมาก็ใช้แบบหลวงพ่อดูจิต แล้วกอยากขอวิหาแล้วทำจากนุ่งพ่อชอบมีลิตเมื่อแล้วเพล่งไฟติดยังยังไม่ได้ประตีภาคนิมิตเลยครั un อะไรนะยังไม่ได้อีกเหรอได้เป็นอุคตินิมิต anes อ, อ, อย่าไปเล่นเยอะนะพยาย moved and start again ลองกลับมาคอยรู้กลายรู้ใจไปลองเปลี่ยนมิทีเพล่งกษีนใหม่แผนที่ impairedesus เพล่งไฟข้างนอก เ, ลนะเพล่งเผาต้ liksom 何だろう เขาว่างไงหนูก็อะไรนะตื่นเต้นลืมไปเลยค่ะก็ตอนหนูก็ปฏิบัติมาแต่ว่าเหมือนไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยก็เลยแบบง ง, ง, งว่าจริงแล้วที่ก่อนคราวที่แล้วก็เคยคุยกับหลวงพ่อว่าอะไรเนี่ยไม่ตั้งมั่นใช่ไหมคะแล้วตอนนี้หนูก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่ตั้งมัน่นหนูเหมือนเดิมเราหนูคิดว่าเออเมื่อก่อนตอนแรกๆที่มาหลวงพ่อว่าให้ทำเล่นๆทำไมทำไมว่าไม่ตั้งมัน่นล่ะ หนูไม่รู้มันตั้งมัน่นเปล่าหนูไม่รู้มันคืออะไรมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะคะใจมันรู้เนื้อรู้ตัวนะมันไม่ลืมเนื้อลืมตัวคอยรู้สึกไปอย่างสบายๆเราหนูแบบว่าหนูยังคิดว่าถ้าสมมติว่าหนูอยากจะแบบเล่นๆเหมือนตอนแรกๆที่หลวงพ่อเคยพูดอะไรเงี้ยหนูยังจะเล่นๆท่านอยู่หรือเปล่าไม่ต้องเล่นแล้วนะ <c oughs> ดูไปตามธรรมชาติธรรมดาเลยใจมีเรี่ยวมีแรงที่จะคอยรู้ทันตัวเองละ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 คนอื่นปลอมมากกว่านี้อีกโอ้โหค่ะหนูแบบเห็นคนอื่นเขาแบบพูดพูดแล้วแบบเสียงเขาจะนุ่มๆเลยอะค่ะเออนั่นแหละตัวปลอมแหละหนูแบบอยากจะนุ่มๆ ม, มากเลยไม่ต้องนะไม่ต้องใช่ไหมคะ่ะหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะเป็นหลวงพ่อตัวปลอมต้องเท่ยัางงี้พวกเราต้องคอยรู้สึกตัวไว้หลวงพ่อตัวปลอมค่ะเบ อ, อร์เจ็ดสิบหลวงพ่อค่ะอิดนิดนึงมีคนฝากถามมาคะ่ะ บอกว่าเมื่อไหร่คะจะต้องเปลี่ยนอารมณ์นะคะอารมณ์มันเปลี่ยนตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์เมื่อไหร่ละอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้อย่างเรามองเห็นใช่ไหมเรามองแวบเดียวเดี๋ยวเราก็มาคิดละความคิดเป็นอารมณ์แทนรูปที่มองเห็นละอารมณ์มันเปลี่ยนอยู่ตลอดแล้วเบอร<า>์เจ็ดสิบขอบคุณกลับหลวงพ่อกัอบเมื่อสามเดือนที่แล้วโดนหลวงพ่อฆ่าเรียบร้อย วันนี้ก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ฮะเหลือใจให้หลวงพ่อช่วยดูสภาวะจิตวันนี้ครับวันนี้ดีกวันก่อนเยอะเลยนะครับดีภาวนาไปครับผมนับหนึ่งทุกวันนะครับเลือดแปดแปดแปดแปดอยู่ที่ไหนรู้สึกไหมตัวปลอมเลือดแปดแปดอะรู้สึกไหมไม่ไม่ค่อยชาครับนะทำหลอกกว่าความจริงอะหรือว่าไหมครับหลอกความจริงครับก็จะกราบถามว่าจิตของผมมันตั้งมั่นหรือยังครับมันดูไม่ค่อยออกอะครับ แล้วดูอย่างที่ดูได้สิภาวนามาถึงตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะมีหน้าที่แค่ตามดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่าไปปรับของให้นิ่งตอนนี้เริ่มปรับของแล้วหรือออกไหมครับมันลหล่อขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วเหมือนแก้ทำหลอ่ <c oughs> อก็ไม่นรู้จะทำไงเนาะคนมันเกิดมาหลอ่อเราเราอาการถึงฐานนี่มันเป็นยังไงครับจิตรู้จักจิตที่หลงไปคิดไหม ร, รู้จักจิตที่ไหลไปไหลมาไหม ถ้าจิตไหลไปรู้ว่าจิตไหลนะมันจะถึงฐานพอดีเลยแต่ถ้าจิตไหลไปแล้วพยายามดึงคืนมาไม่ถึงฐานหรอกแต่จะแน่นแน่นแต่แล้วผมมีดึงคืนมาบ้างไหมครับตอนนี้กำลังดึงแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจริงแต่ว่ามันไม่ถึงฐานทีเดียวหรอกมันสบายมากไปนิดนึงใจมันไปติดว่างๆนิดนึงครับมันว่างอยู่ข้างนอกหรือเปล่าใช่ไปว่างข้างนอก ครับผมพอดีมีพี่สาวมาอย่าน้อมใจให้สุ่มนะอ่ะครับผมอ่าว่าไปพี่สาวมาอยู่ข้างๆเนี่ยครับอ่าว่าไปส่งการบ้านครั้งแรกอะครับอยากโฉบเปล่าหรือถูกบังคับหนูถูกบังคับให้จับไหมค่ะกับพ่อคุณการนวัตกรรมหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาครั้งแรกที่ปฏิบัติอยู่ ทุกวันนี้ก็จะใช่วิธีหลังจากสวดมนต์ก็นั่งสมาธิแต่ในช่วงระหว่างวันก็จะดูจิตไปไม่ทราบว่ า, าต้องปรับปรุงอะไรไหมคะตอนนั่งสมาธิอย่าน้อมใจให้ซึมเวลานั่งอย่างน้อมใจอยู่น้อมไปให้นิ่งน้อมไปอย่างนี้ไม่ดีน้อมแล้วติดความซึมหมดมาต่อไปเบอร์183อยู่ข้างหลัง183มีวันนั้นไประเทศที่ไหนก็ไม่รู้ どういうこと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 いでしょう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 サタンはバイクローが今、やんす。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 カフェのサービスは ซูภูวานี้เวลานั่งภาวนาแล้วมันจะชอบความสงบมากกว่าครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตเราเจอปัญหาอะไรมาบางอย่างเนี่ยเรายกข้อธรรมที่เราเจอมาตอนนั้นเนี่ยเข้ามาล็อกพิจารณาเล่นๆแบบนี้ได้ไหมครับได้เป็นอุบายนะเป็นอุบายบไม่ให้จิตติดความสงบเฉยๆอยู่เป็นการกระตุ้นให้จิตทำงา น, นะแล้วก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆขึ้ น, นเป็นอุบาย ขอแกระด้างเพิ่มเติมนะครับไอ้ที่ทำอยู่ก็เยอะแล้วนะ <laughs> ไปทำอีกหน้าเวลาเจ็ดสิบเอ็ดนิมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกว่าจิตมันนิ่งๆอยู่อะค่ะเดี๋ยวไปกดเงินสิมันเป็นเองเจ้าค่ะช่วงนี้บางวันนี้มันอยู่ดีๆมันก็แน่นขึ้นมาแล้วก็แน่นมาก แล้วก็มัวมั ว, มวดูอะไร<อ>ไม่ได้ยยก็ค่ะอย่าไปจงใจปฏิบัตินะนึกถึงจิตใจของเราสมัยที่ยังปฏิบัติไม่เป็นนึกออกไห ม, ไมจิตใจเราตอนเด็กๆใจเราก็สนไปสนมาอะไรเงี้ยมันไม่มาประคองให้นิ่งหรอกนะพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราอยากให้มันดีเราก็ไปควบคุมมันไปแทรกแซงมันบังคับมากไปปล่อยซะให้มันสนสนบ้างตอนนี้ก็ยังมีนิ่งๆอยู่ใช่ไหมจิตใจตัวจริงสนนะ แต่ว่าตัวปลอมเนี่ยทำเป็นเรียบร้อยเอาตัวจริงออกมาก็คือถ้ามันแน่นขึ้นมาก็ให้รู้เลิกไปเลยเลิกไปเลยอ๋อเลิกไปเลยแล้วค่อยรู้สึกใหม่นับหนึ่งใหม่ต้องหาผัสสะใหม่ๆนะเจ้าค่ะใช่กับพระคุณเจ้าค่ะร้อยสามส่งกันด้านค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเคยบอกว่าจริตหนู พุ่งสร้างหนูก็เลยพยายามปฏิบัติก็คือหาวิหารธรรมให้มันก็พูดโทรไปค่ะแล้วก็ตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆอค่ะห、mm hmm. ลวงพ่อเห็นจลิตเห็นกิเลเสเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะ、mm hmm. ก็เลยอยากส่งกันบ้านหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยพัฒนาขึ้นบ้างหรือยังคะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วไปทำอีกนะทำดีแล้วค่ะ どうもありがとうございました。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 ああよかった。